สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะสำหรับท่านที่มีความสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์รายการนี้สรนสนีสนทนาที่สถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีนะคะท่านจะสามารถมาทั้งได้ความรู้ในเรื่องของพระธรรมวินัยพุทธวจนะจากพระโอษฐ แล้วก็ยังจะได้ฝึกปฏิบัติกันไปเพื่อที่จะสะสมเอาไว้จนเกิดความคล่องตัวในการที่จะปฏิบัติสมาธิในช่วงตอนต้นของรายการนี้เลยนะคะด้วยการนําของพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบเมื่อวานนี้ท่านพูดถึงอนิสงค์ของการปฏิบัติอาณาปานสติไปบ้างแล้ววันนี้ทราบว่าจะมีเพิ่มเติม นมาสการค่ะท่านอาจารย์คะเจริญพรค่ะก็นิมนต์ท่านอาจารย์เลยนะคะวันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติทำความเพียรผ่อเกตด้วยการนั่งสมาธิกันด้วยการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจแล้วก็หากจิตหนุดไปคิดในเรื่องอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ก็ให้รีบละความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินมีสติตั้งอยู่กับลมหายใจหรือว่าการเคลื่อนไหว อิริบทต่างๆของกายแล้วก็เดี๋ยวนี้จะอ่านพระสูตรที่เป็นอาณาปานาสติแล้วก็อ น, นิสงค์ของอาณาปานาสติให้ฟังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระอานนอ์เรื่องของการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือเรียกว่าอาณาปานาสติไว้ว่าอาห น, นอนอาณาปานาสติ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 ซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตะจออจตะสังขารหายใจออกทำจิตตะสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำจิตตะสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานาสติพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสว่าเมื่อท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอาณาปานสติหรือการอยู่กับลมหายใจเป็นอย่างมากโดยที่ท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าพิกษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบาก ตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาปทานดังนี้แล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันภิกสุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนี้แล เมื่อเราจเจริญอาณาปานัสสติกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็สามารถหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือว่าอิริบทอื่นๆของร่างกายที่เรียกว่ากายะคตาสติไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่ง น, นอนก็ให้มีสติรู้กับกายกับใจกับลมหายใจของเรา สำหรับวันนี้เราก็ทำความเพียรมาสมควรแก่เวลาก็ค่อยๆออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายเอรียบทได้สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้กระเทนฝั่ ง, งคะ้ะและนั้นก็คือพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลู ก, กาคลองสิบพบกับท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะน้มสักการกะท่านคะ่ะเจเรญพร